ตลอดปอนท่านผู้มีจิตสัตธามีความโน่มใสใหญ่พระพุทธศาสนาทุกๆด้านวันนี้เป็นวันเสาวที่14กันยายนพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิเป็นวันที่ท่านท้ายได้ตั้งใจมาว่าเพื่ อ, าา ม, ม, อมาสร้างบลญมา มีสตางามเชื่อว่าบุญบารมีนี้เป็นเที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญการที่พวกเรามีความสุขความเจริญมากน้อยต่างกันเพราะเพราะว่าเราสร้างบุญบารมีมามากน้อยต่างกันเองเกิดจากการดู ถ้าเราปูกมากเราก็จะได้ผลมากถ้าเราปูกน้อยเราก็จะได้ผลน้อยน้ต้นไม้แต่ละชนิดก็ให้ผลไม่เหมือนกันบุญบรารมีก็เช่นเดียวกันมีอยู่สิบชนิดด้วยกันถ้าทำแต่ทานบรารมีอย่างเดียวก็จะได้ผลของทานบรารมีเพียงอย่างเดียว มืนกับปลูกต้นกล้วยอย่างเดียวไม่ปลูกต้นไม้ชนิดอื่นก็จะได้แต่กล้วยเป็นผลิตต่างมาแต่ถ้าเราสะสมบนบาราเรทั้งสิประกาก็เหมือนกับปลูกต้นไม้สิชนิดเราก็จะได้ผลลไม้10ชนิดได้กล้วยได้มะม่วงได้มะละกอได้ส้มได้สับประรดอย่างนี้เป็นต้น การที่พวกเรามีความแตกต่างกันในทางหลายอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเราได้สร้างบุญบา ร, รมีไม่เท่ากันถ้าเราสร้างฐานบา ร, รมีเราก็จะได้ฐานะที่ร่ำรวยทำมากก็จะรวยมากทาน้อยก็จะรวยน้อย แต่นี่หมายถึงไม่ใช่รวยในภพนี้ชาตินี้แต่รวยในภพหน้าชาติหน้าเวลากลับมาเกิดใหม่ชาตินี้ถ้าอยากจะรวยก็ต้องหมั่นทามาหากึงมันเก็บเงินเก็บทองไม่ใช้เงินทองไปแบบไม่มีเหตุมีผลถ้ามันหาหมันเก็บ <c oughs> เดี๋ยวก็ร่ำรวยได้ถ้าไม่หมันหาไม่หมั่นเก็บ ขยันใช้ที่เกียรติหาอย่างนี้ก็จะไม่มีวันร่ำรวยได้ดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าการทาทานในชาตินี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะร่ำรวยในชาตินี้อันนี้เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ในวันนี้ไม่ได้ทำให้ต้นไม้ออกดอกออกผลขึ้นมาในวันนี้ก็ต้องรออีกหลายปีกว่าต้นไม้จะออกดอก ขึ้นมาดังนั้นการสร้างบรารมีต่างๆนี้จึงเป็นการสร้างเพื่ออนาคตที่ดีของเราต่อไปบางท่านไม่เข้าใจคิดว่าเออเราทําบุญทําทานรักษาศีลทําแต่ความดีทําไมเราไม่ได้รับผลดีเลยก็เพราะว่าผลที่ไม่ดีที่เราได้รับนี้เป็นผลที่เกิดจากอดีตที่เราทํามานั่นเอง ในอนดีตถ้าเราทําบาปเราก็จะได้รับแต่ผลไม่ดีถ้าเราไม่ทําทานบุญเราก็จะไม่มีทรัพย์ไม่มีความร่ํำรวยถ้าเราไม่ได้ทําทานรักษาศีลเราก็จะไม่มีรูปร่างหน้าตาสวยางวามผิวพรรณผ่องใสมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอาการครบสามสิบ มีอายุที่ยืนยาวนานอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการรักษาศีลถ้าเราหมั่นรักษาศีลไม่ทำบาป5าประการด้วยกันคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดต่อเวรนี้ไม่พูดปกไม่เสพสรารยาเมาไม่โกหกหลอกลวงอย่างนี้เราก็จะ กลับมาเกิดมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเี mm ็น hmm. อาการ32ครบถ้วนบริบูรณ์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนาน mm hmm. แต่ถ้าเราไม่รักษาสิตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายก่อนไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้าง mm hmm. ไปเกิดเป็นเดรัจฉานมาก mm hmm. แล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภาัพวาสนาบารมีรูปร่างหน้าต า, าไม่สวยงามอาการไม่ครบ32ร่างกายมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียเบียนมีอายุสัน้นนี่คืออนิสงส์ของการทำบาคือการไม่เจริญศีลบารมี สิ่งบา ร, รมีก็คือการระเว้นจากการค่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ตพฤติิตรตเรนีพูดปกเศษชรายามเาถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตเราก็ต้องหมั่นรักษาศีลให้ได้ทานบา ร, รมีก็จะทำให้เราร่ำรวยมีผิวพรรณ่องใส มีรูปรางหน้าตาที่สวยงามเมตตาบาลมีก็จะทาให้เราเป็นที่รักของบุคคลต่างๆผู้ที่มีเมตตาบารมีนี้จะเป็นที่รักของผู้ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครเกลียดชังจะไม่มีใครพยายามที่จะฆ่าด้วยอาวุธกด็ดีหรือด้วยยาพิษก็ดี ถ้ามีความเมตตาแล้วจะไม่มีใครที่จะคิดปองร้ายเราความเมตตาเป็นอย่างไรการเมตตาก็คือต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นต้องมีความปรารถนาดีต่อผู้อยากให้ผู้มีความสุขอยากให้ผู้มีความเจริญเวลาผู้อื่นทำให้เราเสียหายก็ให้อภัย ไม่โกรธแค้นโกรธเคืองไม่อคาาพยาบามอันนี้คือความเมตตามีอะไรที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นได้ก็ยินดีช่วยเหลือเพื่อให้ผู้อื่นเขามีความสุขมีข้าวของเงินทอง <c oughs> ก็แบ่งปันกันไปไม่โกรธแค้นโกรธเคืองให้อภัยไม่จองเวรจองกันผู้ที่มีเมตตากรามีอย่างนี้ จะมีเพื่อนมากยัไม่มีศัตรู<ม>เวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเวลาตื่นก็มีความสุข<ม>นี่คืออนิสงค์ของผู้มีเมตตาบารมีตายไปก็จะได้ไปเกิดในสุคติไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเทพ<ม>แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป ผู้ที่รักษาหรือเจริญในคัมภีรบามีได้ก็จะมีอริสงคือจะตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเพราะสามารถละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ผู้ที่ยังไม่สามารถละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ ก็จะไปได้แค่ชั้นเทพเพราะยังติดรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะอยู่ผู้ที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพก็ไปเสก ร, รูปเสียงกลิ่นลดทิพย์กันแต่จะไม่สามารถขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ผู้ที่ปรารถนาสอนชั้นพรหมก็ต้องจเจริญเนกขมภมะบามีก็คือละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เช่นศีลข้าสามก็เปลี่ยนเป็นอภรรมัจฉาิยาเลรักณีคือจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคู่ครองของตนหรือไม่จะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันแล้วก็จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะรับประทานพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอ ทานจีมร่างกายนี้รับประทานวันละครั้งเดียวก็อยู่ได้แล้วรับรองไม่ตายอย่างแน่นอนที่หิวกันนั้นไม่ได้หิวที่ร่างกายหิวที่ใจใจยังมีกามาตัณหาอยู่ยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารอยู่พอคิดถึงอาหารปักน้ำลายก็ไหลขึ้นมาทันทีแต่ผู้ที่ถือศีลแป คือผู้เจริญเนคข ม, มปะปาลามีนี้ก็จะไม่มีความหิวกับอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอได้ตั้งใจไว้จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะให้อาหารใจแทนเพราะส่วนที่หิวนะั้นไม่ใช่ที่ร่างกายส่วนที่หิวคือใจใจต้องการอาหารแต่เราไม่ได้ให้อาหารใจกัน เราให้แต่อาหารร่างกายใจก็เลยหิวไม่ว่าจะรับประทานกี่มื้อก็ยังหิวนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็ยังหิวนี่ไม่ได้หิวที่ร่างกายแต่หิวที่ใจเพราะเราไม่ได้ให้อาหารกับใจอาหารกับใจคืออะไรก็คือความสงบถ้าเราอยากจะให้ใจของเราสงบเราก็ต้องจเจริญอุเบกขาบาลี อุเบกขาบารณีนี้จะทำให้ใจเราอิ่มจะทำให้ใจเราพอจะทำให้เราไม่หิวไม่อยากได้อะไรวิธีเจริญอุเบกขาบารณีก็คือการนั่งสมาธิเดินจงกรมนี้เองด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องคือควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่ตางๆให้คิดอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปหรือให้คิดอยู่กับบทสวดมนต์ไปอาลาหังสามมาสาวาคาโตสุปฏิปัโนไปหรือให้อยู่กับร่างกายก็ได้ให้เฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาเหมือนกับร่างกายเป็นนักโทษไม่ให้คลาดจากสายตาไปไม่ว่าร่างกายอยู่ที่ไหนใจก็ต้องรู้อยู่ทุกขณะ ไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรใจก็จะต้องรู้อยู่ทุกขณะไม่แวกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเวลารับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารตั้งแต่การตักอาหารเข้าปากเคี้ยวอาหารนั่งกลืนอาหารเข้าไปไม่ให้ใจไปรู้เรื่องอื่นให้รู้แต่เรื่องของการกระทาของร่างกาย เวลาล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล่างหน้าอย่างเดียวเวลาแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวถ้าเราสามารถดึงใจให้อยู่กับร่างกายได้เวลาเรานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาได้อย่างง่ายดายเวลานั่งสมาธิถ้าเราดูร่างกายเราก็ใช้การดูลมหายใจต่อไป เ้าดูลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้รู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกให้รู้ว่าตอนนี้ลมหยาวหรือลมละเอียดหายใจสั้นหรือหายใจยาวไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเราเพียงต้องการลมเป็นที่เกาะไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องต่าง ถ้าเฝ้าดูลมแล้วใจยังแอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หยุดดูลมไว้ก่อนแล้วก็มาบริกรรมพุทโธแทนบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าควบคุมไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาจะมีความอิ่มมีความพอ ถึงแม้จะอดอาหารหลายวันด้วยกันก็จะไม่รู้สึกหิวเลย mm hmm. เช่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอดพระกายอาหารได้ถึง49วันด้วยกันเพราะเพราะว่าใจของพระพุทธเจ้าไม่หิวใจของพระพุทธเจ้ามีอุเบกขาสามารถเข้าสมาธิเข้าฌานได้ตลอดเวลา mm hmm. แต่ใจของพวกเรานี้ยยังไม่มีอุเบกขากันยังมีความหิวกัน รับประทานอาหารไปเพียงแค่ชั่วโมงส้วงชั่วโมงก็อยากจะรับประทานอีกแล้วที่อยากจะรับปรทา น, นี้ไม่ใช่ร่างกายเพราะร่างกายไม่มีความอยากร่างกายไม่รู้เรื่องเหมือนกับรถยนต์รถยนต์เขาไม่ได้อยากได้น้ำมันคนที่จะเติมน้ำมันเป็นคนขับรถร่างกายรถยนต์นี้ไม่มีน้ามันเขาก็ไม่เดือดร้อนไม่มีน้ามันเขาก็จอดอยู่เฉย เขาไม่มีความทุกข์กับการมีน้ำมันหรือไม่มีน้ำมันร่างกายก็ไม่มีความทุกข์กับการมีอาหารหรือไม่มีอาหารผู้ที่ทุกข์ก็คือใจถ้าใจไม่สงบก็ตันหาความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากให้ใจของเราทุกข์อยากให้ใจของเราสงบก็ต้องตั้งสมาธิให้มากๆจเจริญสติให้มากๆ แล้วใจจะไม่หิวจะไม่อยากใจจะสงบถ้าตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหนี่คือเรียกว่าอุเบกขาบารมีส่วนปัญญาบาามีนี้ก็จะทำให้เราฉลาดทำให้เรารู้ทันความหลงทุกวันนี้เรายังไม่ทันความหลงเรายังถูกความหลง หลอกให้เราเดินเข้าหาความทุกข์กันอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเข้าหานั้นเป็นความทุกข์กันพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยมแท้แน่นอนนั่นเองไม่ถาวรมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับเวลาเราเข้าหาสิ่งเหล่านี้ เวลาที่เขาเจริญเราก็จะมีความสุขเวลาเขาเสือ่อมเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาเราได้ทรัพย์มาเราก็ดี อ, อกดีใจกันเวลาสูญเสียทรัพย์ไปเราก็เศร้าโศกเสียใจเวลาเราได้แฟนมาเราก็มีความสุขดี อ, อกดีใจเวลาสูญเสียแฟนไปเราก็ร้องหผงร้องห้ากันนี่คือ สิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอย่างนี้มีมามีไปเวลามาก็ทำให้เรามีความสุขเวลาไปก็ทาให้เรามีความทุกข์แต่เราไม่คอยคิดถึงเวลาเขาไปกันเวลาเห็นอะไรเราก็คิดอยากได้ทันทีอยากจะมีความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆแต่เราไม่คิดถึงเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปหรือเวลาที่เราต้องจากเขาไป เวลานั้นเราก็จะเศร้าโศกเสียใจถ้าเราอยากจะฉลาดรู้ทันความหลงเราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆทุกครั้งเวลาที่เราอยากได้อะไรเราต้องบอกตัวเราว่าสิ่งที่ได้มานี้ไม่ถาวร น, นะเป็นของชั่วคราวเราพร้อมที่จะรับกับความสูญเสียหรือไม่ถ้าเราไม่พร้อมเราอย่าไปเอามาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า อยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมานะอยู่กับอุเบกขาดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าเดินจงกรมดีกว่าจเจริญสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะดีกว่านะพุโทโธพุโทโธไปหรือเฝ้าดูร่างกายไปแล้วใจก็จะไม่อยากไม่อยากแล้วก็จะสบายไม่เดือดร้อน ถ้าละถ้าอยากแล้วก็จะเดือดร้อนเวลาเกิดความอยากก็ไม่สบายใจแล้วกังวลกัวาวยกระสับกระส่ายพอได้มาก็ไม่สบายอีกแบบหนึ่งไม่สบายเพราะความหวงไม่สบายเพราะความห่วงใยแล้วก็ไม่สบายเพราะความเสียอกเสียใจเวลาที่เสียสิ่งที่เราได้มาไปนี่คือปัญญาที่เราควรที่จะหมัก สร้างขึ้นมาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆตอนเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ไม่สามารถสั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดได้สั่งให้เขาเป็นของเราไปตลอดได้สักวันหนึ่งเขาจะต้องกลายเป็นของคนอื่นไปให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วจะไม่มีความหลงพอไม่มีความหลงก็จะไม่มีความหยา พอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ใจใจก็จะสบายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรจะเจริญหรือเสือ่อมก็ไม่เดือดร้อนไม่ว่าอะไรจะเกิดหรือดับก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือบรารมีต่างๆที่เราควรจะสร้างกันเช่นเมตตาบรารมีทานบราบรมีศีลบรารมีนิคัมภะบารมี โอเบขาบาลมีและปัญญาบารามีการที่เราจะสร้างบารมีบารมีเหล่านี้ได้เราก็ต้องสร้างอธิฐานบารมีขึ้นมาก่อนเพราะอธิฐานนี้เป็นต้นเป็นผู้รเริ่มคำว่าอธิฐานนี้แปลว่าอะไรไม่ใช่แปลว่าขออย่างที่เราเข้าใจกันพวกเราส่วนใหญ่จะคิดว่าการอธิฐานนี้เป็นการขอ เช่นเราทิ่ฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้ร่ำรวยขอให้ได้มีแฟนที่น่ารักที่ดีกับเราไปตลอดขอให้เรามีความสุขอย่างนี้เป็นเรื่องขอซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้พวกเราป่านนี้ก็สบายกันไปหมดแล้วไม่ต้องมาขอกันอยู่เรื่อยๆที่ต้องมาขอกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าขอแล้วมันไม่ได้ เพราะการขอนี่ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทําให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้กันแต่สิ่งที่จะทําให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ก็คือการตั้งใจสร้างเหตุที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมานี่คือความหมายของอธิษฐานบา ร, รมีคือการตั้งใจเราต้องตั้งเป้าว่าต่อไปนี้ถ้าเราอยากจะเจริญ เราต้องมาสร้างบารมีกันเราต้องมาสร้างเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีกันอย่างที่วันนี้ญาติโยมมาวัดได้ก็เพราะว่ามีอธิษฐานคำว่าคือได้มีความตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าวันนี้จะมาวัดมาทาบุญให้ทานมารักษาศีล มาฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็คืออธิษฐานบาลีแล้วถ้าไม่ตั้งใจก็จะไม่ได้มาเช่นถ้าเราไม่ได้ตั้งใจพอเราตื่นขึ้นมาเราก็อาจจะไปทานู่นทำนี่แล้วแต่จะมีอะไรมากระทบมาสัมผัสถ้ามีเพื่อนโทรมาชวนให้ไปทำทุวร์หรือชวนใ ห, ไให้ไปเที่ยวเราก็จะไปเที่ยว ท, ทันที เราก็จะไม่ได้มาวัดแต่ถ้าเราได้ตั้งใจไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้จะมาวัดมาสร้างบารมีพอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่อที่จะได้มาวัดมาวัดถึงแม้ว่าจะมีใครโทรศัพท์มาชวนให้ไปทำอะไรก็จะไม่ไปถึงแม้ฝนจะตกน้มจะท่วมถ้ายังพอมาได้ก็จะพยายามมา นี่คือต้นเหตุของการที่ทำให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้การอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากแต่ไม่ใช่อธิษฐานแบบขออธิษฐานแบบตั้งใจทุกวันนี้เราไปอธิษฐานผิดกันอธิษฐานกันที่ตรงขออยากจะได้อะไรก็ขอกันโดยไม่เคยศึกษาว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้ จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเ mm hmm. ช่นถ้าเราเป็นชาวนาชาวไร่ mm hmm. เราอยากจะให้มีต้นข้าวออกรวงมากมากเราก็ต้องรู้ว่าการจะทำให้ข้าวนี้ออกรวงมากมากนี้ต้องทำอย่างไร mm hmm. ไม่ใช่อธิษฐานขอจากดินฟ้าอากาศแล้วก็นั่งงอมืองอเท้าแล้วรอให้ต้นข้าวจเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมา หอไปจนวันตายรอไปจนวันตายก็จะไม่มีข้าวเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุที่จะทำให้เกิดข้าวขึ้นมานั่นเองถ้าเราอยากจะได้ข้าวเราก็ต้องขยันไถนาไถเสร็จแล้วก็ต้องหว่านหว่านเสร็จแล้วก็ต้องปัดดมแล้วต้องคอยดูแลให้มีน้ำหล่อเลี้ยงถ้ามีปุ๋ยมีอะไรก็ใส่ให้รักมา ก, มากถ้าเราทำอย่างนี้เดี๋ยวไม่นาน ต้นข้าวก็จะออกรวงออกมาเป็นจำนวนมากนี่คืออธิษฐานบารมีเราต้องอธิษฐานที่เหตุคือถ้าเราอยากได้ข้าวมากๆเราก็ต้องตั้งใจปลูกข้าวไถานาปลูกข้าวหวานข้าวปักดําแล้วคอยรักษาข้าวไม่ให้มะแรงสัตว์ต่างๆมากัดมาทำลาย ไม่ให้วัชพืชต่างๆมาแย่งอาหารของข้าวเดี๋ยวไม่นานต้นข้าวก็จะออกรวงขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมาเก็บเกี่ยวกันถึงจะได้ข้าวแล้วส่งไปที่โรงสีอีกทีนึงถึงจะได้มีข้าวมาหุงรับประทานต่อไปนี่คือการอธิษฐานต้องอธิษฐานที่เหตถ้าเราอยากจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม อายุยืนยาวนานผิวพัรณผ่องใสเราก็ต้องสร้างทานบา ร, รมีกับศีลบา ร, รมีแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะตามมาถ้าเราอยากจะมีเพื่อนมากอยากจะเป็นที่รักของคนต่างๆก็ให้สร้างเมตตาบา ร, รมีขึ้นมาดังนั้นเราต้องอธิษฐานก่อนอยากได้อะไรก็ต้องตั้งใจสร้างเหตุที่จะทําให้เราได้ผอ น, นั้นแล้วเมื่อเรามีอธิษฐานแล้ว ก็ยังไม่พอเพราะเราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนใจเราก็ต้องสร้างสัจจะบารลีขึ้นมาสัจจะแปลว่าความจริงใจความแน่วแน่ต่อความตั้งใจถ้าเราไม่มีสัจจะความแน่วแน่พอเราตั้งใจจะมาวัดตื่นขึ้นมามีคนมาชวนให้ไปเที่ยวให้ไปรับเ ง, งินทองก็อาจจะเปลี่ยนใจทันทีแต่ถ้าเรามีสัจจะ ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าตั้งใจจะทำมาแล้วแล้วจะต้องทำให้ได้หัวเด็ดตีนขาดก็ต้องทำยกเว้นในกรณีที่สุดวิสัยเช่นตายไปหรือเจ็บไขยได้ป่วยหรือน้ำท่วมมีพายุมีเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถทำได้เท่านั้นถึงจะไม่ทำนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าของเราได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ตอนที่ประทับอยู่ใต้โคนต้นโพพระองค์ก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้จะภาวนาจเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาไปจนกว่าจะตัดสรูถ้ายังไม่ตัดสรูจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอนขา่าถึงแม้ว่าเลือดจะเปือยแห้งไปจากร่างกายถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปก็จะยอมตาย แต่จะไม่ลุกภ้ายังไม่ได้ตัดสรู้อันนี้แหละจึงทำให้ไม่มีทางอื่นต้องตัดสรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างนี้ว่าต่อไปนี้จะสร้างบารมีต่างๆไปตลอดชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่เราก็จะได้สร้างบารมีกันอย่างแน่นอนแลวเราก็จะได้รับผลของการสร้างบารมี นีต่อไปนอกจากมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยบารมีถ้าตั้งสัจจะแล้วแต่ขี้เกียจไม่อยากจะนอนแทนที่อยากจะมาวัดอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้มาวัดได้นั่นเราต้องกาจัดความขี้เกียจต่อสู้กับความเกียจข้ามไม่ปล่อยให้ความเกียจข้ามชนะเราได้เมื่อเราตั้งใจแล้วมีสัจจะแล้วขั้นต่อไปก็ต้องดาเนินการ ต้องมีความภาคเพียรเพราะความภาคเพียรเท่านั้นที่จะนำความสำเร็จมาให้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นดับทุกหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรดังนั้นเราต้องหมั่นเจริญวิริยะบารมีอย่าเกียจคร้านมีอะไรทำไปไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกหรืองานภายใน มีอะไรทำดีกว่านอนดีกว่านั่งอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจะไม่ได้ผมอยากที่อยากจะได้แล้วข้อสุดท้ายก็คือขันติบารามีก็สําคัญเพราะถ้าว่าเวลาเราทําความเพียรกันเราจะต้องรู้สึกทุกข์ยากลกําบารู้จักเหน็ดเหนื่อยถ้าเราไม่มีขันติความอดทนเราก็จะทําไม่ได้ แต่ถ้าเรามีขันติความอดทนสู้ไม่ถอยจะไม่สู้ก็เมื่อต่อเมื่อไม่มีลมหายใจเข้าออกหรือร่างกายพิกลพิการไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเท่านั้นถ้าเรามีขันติแล้วรับรองได้ว่าเราจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่ขวางกัน้นในการที่เราจะต้องสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้ได้ นี่คือการมาสร้างอนาคตที่ดีให้กับชีวิตของเราและสร้างปัจจุบันของเราให้มีความโลกเย็นเป็นสุขด้วยการมาสร้างบารมีทั้ง1ิประการนี้คืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีทานบารมีศีนบารมีเนคข ม, มะบารมี อุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์วิเศษเป็นมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเป็นกันเราต้องสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้เพราะบารมีทั้งสิบประการนี้แหลที่ทำให้มีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตาสาวกปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ไม่ได้มีเพราะการขอกัน ขอให้ได้เป็นพระอาหารหันต์ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขอไปจนวันตายขอไปจนวันสิ้นโลกก็จะไม่มีวันได้ผลนี้แต่ถ้าเราตั้งใจสร้างบรารมีเราก็จะได้ผลเหล่านี้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างบรารมีเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมานี้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 ด้วยอายุวนาสุขตะละโดยทั่วหน้าการเธอ